ทกานิกายสุตานิบาตคือก็เรื่องเรื่องที่เราเคยทราบแล้วคือนางสุนนางสุนทรีปริปริปราชิกานะที่เข้าไปเข้าไปในวัดพระเชตวันเย็นไปแล้วก็เช้ากลับทำน้อนองนั้นนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือให้กับพวกเดรธีนะเข้าไปทำให้ผู้มีภาค เสียชื่อแบบนันเถอะนะฮะตอนหลังเรื่องก็แดงขึ้นมานะครับในระหว่างนั้นนี่นะครับพระภิกษุสงฆ์ก็เข้าไปบิณทบาทก็ถูกชาวบ้านเนี่ยนะก็ด่าทอหรือว่าถูกด่าจากชาวบ้านเมืองสาวัตถีครพระพุทธเจ้าท่านก็ถามบอกถามพระอานนท์บอกว่าเออพระภิกษุนะ่ะเข้าไปบินทบาทแล้วเนี่ย ถูกชาวบ้านเขาด่าทอมาอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงพระอานุ์บอกว่านิ่งนะบอกก็ไม่ได้ไม่ได้ไปตอบโต้อะไรเพียงแต่นิ่งบอเออถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่าเรามีศีล น, นะเพียงเท่านี้นะครับทำให้เห็นว่าการวิรัช์นี่นะครับที่จะไม่ตอบโต้ไปด้วยพฤุสวาจานี่นะฮะพระองค์บอกว่าเออ ก, ก็เรามีศีลนี่เราจะไปตอบโต้อะไรบัณฑิตนะกับ กับเอ่อกับคนพานเนี่ยมันต่างกันมากนะถ้าพูดเท่านี้นะครับแล้วก็พอเรื่องแดงขึ้นมาจับได้ว่าพวกเดรทีนั้นเนี่ยเป็นเป็นอุบายของพวกเดรทีจะแกล้งพระพูุยภาคให้เสียชื่อเนี่ยนะท่าหลังพระเจ้าปฏิปเสธปฏิเสธที่โกศ่ก็เข้าไปหาพระพูุยภาคบอกว่าเออเ อ, อ่อพระองค์ทําไมไม่บอกข้าวพระเจ้าบ้างาน้องๆนัะใช่ไหมว่าเรื่องมันเสียหายอย่างนี้ใช่ไหมฮะพระพูุยภาคทรงตัดตอบบอกว่า ก็อัตมาภาพมีศีลนี่จะให้กล่าวอย่างนั้นไปได้อย่างไรใช่ไหมก็แสดงว่าเพียงเท่านี้น่ะมองลึกไปเลยว่าศีลมันเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรเป็นศีลอวิธิกรมาเป็นศีลลองสงเคราะห์ไปดูได้เลยเพราะว่าพระผู้มีพรคนั้นวาจาของพระองค์นั้นเนี่ยต้องสมบูรณ์แล้วทั้งทั้งองค์ห้าทีเดียวถามว่าจริงไหมถ้าจะพูดว่าเออนี่เวลานี้ดีละถีทาไมพระองค์จะไม่รู้ใช่ไหมครับว่า ดีรัฐีเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยนี่เป็นความจริงแต่พระองค์จริงอย่างเดียวพระองค์ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่พูดได้ใช่ไหมครับเป็นประโยชน์ไหมอาจจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะแก้ไขความเข้าใจของชาวบ้านใช่ไหมฮะก็ยังไม่พอกาละก็ยังไม่แน่นะครับแต่คําพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตานี่น่าสนใจจิเดียวนะครับถ้าถ้ากล่าวออกไปนะฮะว่าเออนนเนี่ยดีรัฐีมันแกล้งอัตมาภาพเนี่ยเท่านั้นก็รู้สึกเป็นวาจาไม่ใช่วาจาสุภาษิต พะผีเ<ผ><ผ>ท่า น, นี้ข้อความนิดเดียวตัว น, นี้เองนะครับถ้าพูดไปอย่างนั้นนะคิดว่าคนจะเชื่อแล้วนะนะก็คำจริงก็ไม่ได้่าเชื่อนะถ้าไม่ถูกการใช่ไหมสิ่งที่เป็นจริงนั้นถ้ากล่าวถูกการจรึงจะมีผลนะถ้าหากว่าเขากำลังมาหาเรื่องอย่างนั้นบอกโอ้ไม่ได้ทําใช่ไห ม, หมาปากแข็งผู้ร้ายปากแข็งก็ว่างั้นก็ต้องใช้ไปก่อน ในเรื่องการใช้คำนี้พระผู้มีพระภาครู้การกรู้เวลาที่สุดเหมือนกันแต่ว่าการนี้เป็นการที่จะแสดงธรรมการนี้เป็นการที่จะบัญญัติพระวินัยพระองค์นี้เป็นผู้ที่รู้การแล้วก็วาจาก็เหมือนกันถ้าหากว่าพระองค์พิจารณาแล้วเรื่องนี้เรื่องจริงแต่ว่าคำไม่ไพเราะพระองค์ก็ไม่ตรัสถ้าไม่ถูกการไม่เกิดประโยชน์ด้วยมยิงไม่ตรัสเลยถึงจริงก็แท้ไม่ต้องกล่าวว่าเรื่องไม่จริง ถ้าหากว่าเรื่องจริงนั้นถ้อยคําก็ไพเราะแต่ว่าไม่เหมาะกับการพระองค์ก็ไม่ตรัสอีกนะสิ่งนั้นจะต้องเป็นความจริงประกอบด้วยการประโยชน์กับคนฟังเนี่ยมีมากนะเป็นไปเพื่อประโยชน์บางครั้งถ้อยคําก็ไม่ไพเราะนะคือคําว่าไม่ไพเราะหมายความว่าเป็นคําที่หนักจริงๆนะอย่างถ้อยคําว่าใช้คําว่าโมฆะบุรุษเลย ตำหนิตรงๆเลยว่าการกระทาของเธอเนี่ยไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช่ไม่ได้ไม่ควรทำนะแล้วก็ตำหนิถึงพฤติกรรมที่ไปกระทาผิดในล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติในสิกขาบทนั้นๆเนี่ยนะว่าการกระทาแบบนี้เนี่ยเป็นความมักมากของเธอนะไม่เป็นไปเพื่อความมาักน้อยไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความคลุกคลีเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากานะพระองค์ก็จะ ตรัดตำหน่ององั้นแต่ถ้าหากว่าใครที่นั่งอยู่หนที่นั้นเนี่ยนะได้รับคำตาหนิขนาดนั้นนี่ไม่ตำลังนัก่ก็แทบแทบกแผ่นดินหนีอยู่เหมือนกัน น, น, นะะวาจานี้เป็นเป็นศีลอย่างหนึ่งนะี่ล่วงออกมาทางวาจาเป็นไปกับศีลเป็นวจีกรรมนั่นนะถ้าหากว่าผู้ที่ขาดเจตนา ที่เป็นศีลเป็นเหตุให้วิรัสจากวาจีทุจริตแล้วมีเจตนาที่จะกล่าวว่าจีสุจริตเนี่ยนะถ้าหากว่าเจตนาเหล่านี้ไม่ค่อยมีหรือไม่มีคำพูดที่พูดออกไปนี่มีโทษทั้งนั้นเลยโทษขณะนี้เราอาจจะมองไม่เห็นหรอกเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าไม่คิดจะเจริญกุศลธรรมชั้นสูงนะไม่ได้คิดต้องการสวรรค์ต้องการ คุณจะรมชั้นสูงอะไรกับแบบแบบพระอารียเจ้าทั้งหลายเนะี่ยเราจะคิดว่าไม่มีโทษเลยนะที่เราพูดเล่นเนะี่ยพูดไปสนุกสนุกคุยอะไรคุยได้หมดเลยพูดไปเหอะแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่คิดจะกลับตัวว่างั้นเถอะคิดว่าเออนี่ศีล น, นะแล้วพวกเนี่ยจะย้อนกลับมาหมดเลยถ้าศึกษาธรรมะไประยะหนึ่งนะสิ่งที่เราทําเนี่ยนะยุ้มยุมยิ้มยิ ม, ย ม, ยมเล็กน้อยขนาดไหนผลามาหมดเกล่้ยงเลย อันนั้นก็เรียกว่าคดีมีกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างที่เคยไปทำเนี่ยนะชีวิตนับตั้งแต่จําความได้น่าจะจําได้หมดระลึกได้เลยไม่ต้องไปตามคิดหรอกเดี๋ยวมาเองอ่ะแวบขึ้นมาอาวันนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นวันนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ตรงนั้นแหละพระบางองค์นี่เร่าร้อนเนยนะก็บอกว่ า, านึกถึงข้อความในในอุทานสูตรนะนะพอพูดถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ใครทํา ทำอะไรทำที่ไหนมาสิ่งเหล่านี้จะมาปรากฏทั้งหมดเลยนนคือในในอุทานสูตรนะอัตกรถาอุทานสูตรสังยุตติกายคันธวารวักเนี่ยกล่าวถึงประวัติของพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระมิลตะเทระอัไรเงนี้อ่ พระมิละกะเทระนี้เล่ากันมาว่าในเวลาท่านเป็นเครือหัดทเทระนั้นเลี้ยงชีพด้วยการกระทาปานาติบาตประกอบบ่วงไว้ร้อยหนึ่งทับฟ้าเหวร้อยหนึ่งในป่าเพราะฉะนั้นเครื่องมือดักสัตว์นี้ถ้าหากว่าในสัตว์สมัยที่ชุกชุมเนี่ยวันหนึ่งก็น่าจะเป็นร้อยศพเป็นร้อยตัวและเหวณนะทับฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือดักสัตว์ชนิดหนึ่งมางั้นภายหลังวันหนึ่ง เธอเคียวกินเนื้อที่ปิ้งไว้บนฐานเพลงแล้วก็เที่ยวไปในที่ใกล้บ่วงถูกความกระหายครอบงำจึงไปสู่วิหารของพระเถระผู้อยู่ในป่ารูปหนึ่งเปิดหม้อน้ำดื่มที่ตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลของพระเถระผู้กำลังจงกรมอยู่ได้เห็นอ่ะไม่ได้เห็นน้ำแม้พอเปียกว่้งไงเดไม่มีน้ำสักนิดเลยมั้ง เธอนี่โกรธกล่าวว่าภิกษุภิกษุว่า ง, งั้นพวกท่านฉันโทชนะที่คริหะบดีให้แล้วก็หลับไปไม่จัดตั้งน้ําไว้แม้เพียงนิ้วมือหนึ่งในหม้อ น, น้ํานั่นน่ะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่า ง, งั้นโอ้ยฉันอาหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของดีๆทั้งนั้นเลยกินแล้วก็ฉันแล้วก็ไปนอนกันน้ําท่าก็ไม่ตักเอาไว้เลยว่า ง, งั้นตัวเองนี่เข้าไปดูในคล้ายๆกับไอ้ถังน้ําข้างหน้าเนี่ยนะมาแล้วไม่เห็นน้าแม้แต่หยดเดียวยังไง าการกระทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นใช้ไม่ได้ขนาดน้ํายังไม่ตักมาไว้ให้กันกินเลยพระเทระกล่าวว่าอาตมาได้ตั้งน้ํำดื่มไว้เต็มแล้วนี่เหตุอะไรหนอดังนี้ท่านก็คิดเอ๊่น้ําเราก็เต็มไหมเป็นวัดอย่างหนึ่งนะว่าพระนี่ตื่นเช้ามาจะต้องนะตั้งน้ํำดื่มมาไว้เป็นวัดเลยพบในดีกาว่าถ้าไม่ตั้งน้ํำดื่มมาไว้นะเป็นอบัตทุกกฎะนะเป็นวั ด, เ ป, วดเป็นวินัยอย่างหนึ่งเลยที่จะต้องตั้งน้ํำดื่มมาไว้เลย นะก็บอกเอ๊ก็ตรวจดูก็เห็นหม้อน้ํำยังเต็มจึงบรรจุสังสําหรับใส่น้ําดื่มจนเต็มแล้วก็ให้นะต้องไปตักน้ําให้เองเหมือนกันเถอะเธอเดื่มน้ําที่เต็มสังที่สองนะสังเดียวไม่อิ่มนะสังที่สองจึงอิ่มก็เลยคิดว่าขึ้นเชื่อว่าหม้อน้ําเต็มอย่างนี้อาศัยการกระทําของเราเกิดเป็นราวกับว่ากระเบื้องร้อนในอนาคต โอ้โหนี่ขนาดเป็นๆอยู่อย่างนี้ยังเป็นมนุษย์เปรตเลยว่า ง, งั้นเถอะกระหายน้ําขนาดนี้อัตภาพของเราจะเป็นอย่างไรเนาะในอนาคตางงนะนึกถึงเลยนะนึกถึงชีวิตของตัวที่จะต้องเป็นไปในชาติต่อต่ไปใจก็สลดเลยนะทิ้งธนูแล้วกล่าวว่าขอท่านโปรดบวชให้กับผมเถิดขอรับเหมือนไม่กลับไปลาที่บ้านักอย่างเลยเนาะทัธีระก็บอกแต่จะปัญจากะกรรมฐานให้เธอบรรปชาคือจับบวชเนยงั้นเถอะ สอนกรรมฐานแล้วก็บวชเนรเมื่อเธอทําสมณธรรมอยู่สถานที่ที่ค้าเนื้อและสุกรเป็นอันมากและสถานที่ดักบ่วงและเหว่อฟ้าทับเหวย่อมปรากฏเหมือนกันเถอะคือการเจริญกรรมฐานคือทําอะไรก็คือเจริญสัมมาสังกัปปะนั่นเองเจริญสัมมาวิตกกไหมผมขนเล็บฟันหนังหนังเล็บะนะหนังฟันเล็บ ขนผมอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ยเจริญแล้วก็มาตรึกมาเพ่งใช่ไหมโดยสีโดยสันผานโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยบริเชษอันนะมีรูปเท่าไหร่มีน้ำเท่าไหรมีจิตเท่าไหรอะไรเงี้ยก็ตรึกไปเพ่งไปพิจารณาไปทีนี้มันไม่ง่ายอย่างที่เราพูดอย่างนี้หรอกพอตรึกไปได้หน่อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหบ่วงมีกี่บ่วงกี่บ่วงเคยไปดักที่ไหนพลอมาหมดนะวิต ก, กะนั้นจะตรึกไปหาอารมณ์นั้นๆๆๆ ท่านเคยไปไปทาชั่วทําปานาติบาสัตว์ตายที่ไหนยังไงก็โผลขึ้นมาหมดเหมืนั้นเถอะเมื่อเธอระลึกถึงสถานที่นั้นอยู่เกิดความเร่าร้อนในร่างกายเธอไม่ดําเนินไปตามแนวพระกรรมฐานเป็นเหมือนโคโกงฉะนั้นเหมือนั้นนั่งมีแต่ความเร่าร้อนอย่างเดียวเหมือนพระพระองคุลิมานี่ก็เหมือนกันนะพระองคุลิมานี่พอท่านมาเจริญกรรมฐานเนี่ย อที่ท่านฆ่าไว้นะกี่ศพกี่ศพเนี่ค่าในลักษณะไหนเนี่ยมาหมดเลยโผล่มาหมดโผล่มาหมดโผล่มาไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วพอนะเดี๋ยวว่างๆ ว, ว, วัดไปอีกคล้ากับว่าคนที่เคยเราไปฆ่าเขาเนี่ยเขาขอชีวิตยังไงยังไงก็ไม่มีความเมตตามไม่ให้อภัยเลยทีนี้ธรรมดาคนที่สํานึกดีมันก็นึกตําหนิตัวเองตลอดใช่ไหมเราไม่น่าใจดําขนาดนั้นเลยเราไม่น่าทําชั่วขนาดนั้นอันวิปปิสารทั้งหลายแหลก็จะเข้ามาเต็มที่ เธอก็คิดว่าโดยภาวะเป็นพิกษุเราจะทำอะไรโอ้ยเป็นเนนก็ยังทุกข์ขนาดนี้แต่เป็นพระเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนเพราะฉะนั้นถูกความไม่ยินดียิ่งดีบคัน้นก็ไปหาพระเถระไปหาอาจารย์ไหว้แล้วกล่าวว่าท่านขอรับผมไม่อาจทำสมณะธรรมได้คือมาบวชเจริญกรรมฐานยางให้ผมทำไม่ได้หรอกลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับเธอว่าเธอจงทาการสีมือบอกงั้นเถอเออใช้งานซะก่อ น, งงนทำงานทางานหน่อยนะ เธอกรับว่าสาทุครับว่างั้นแล้วก็ตัดไม้สดมีไม้มาเดือเป็นต้นมาทําให้เป็นกองกองนะเพราะในวัดป่าใช่ไหมพวกต้นมาเดือต้นสดสดมันก็เยอะนะท่านก็บอกว่าเออตรงนี้ตรงนี้เอาออกนะคือท่านใช้สมณโวหารว่างั้นเออเอาตรงนี้ออกหน่อยนะเอาตรงนั้นออกหน่อยอย่างเงี้ยมันสมัมเนธก็จะตัดตามที่พระบอกก็มากองกองต้นมาเดือมาเดือนี่โหมันก็ยางเหนียวมันก็ชุ่มไปหมดเลยนะถามว่าบัดนี้ผมจะทำอย่างไร พระเถระบอกเออเอาไฟเผาเลยว่า ง, งั้นต้นมะเดื่อสดๆพวกนั้นแหละเธอก็ก่อไฟในทิศ ท, ทั้งสี่ก็ไม่อาจจะเผาได้ก็กล่าวว่าผมไม่อาจครับว่า ง, งั้นไม้มะเดื่อสดๆตัดมามจะไปจุดไฟยังไงเผาเนะมันจะติดได้ยังไงพระเถระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงหลีกไปแล้วก็แหวกทําให้แผ่นดินเนี่ยแหวกนิดเดียวว่า ง, งั้นเป็นหลุมก็เอาไฟประมาณเท่าหิ้งห้อยจากเปลวไฟเนี่ยใส่ใส่ใสไปในหลุมเอง กององกองไม้สดอันนั้นก็บอกว่าเธอเผากองไม้ใหญ่เพียงนั้นให้ไหมโดยฉับพลันเหมือนเผาใบไม้แห้งคือทาธรรมดาเนี่ยนะถ้าแวกเอาไฟในเวจีมาเนี่ยเขาบอกว่าธรรมดาเนี่ยระยะรยร้อยโยดนเนี่ยนะตาธรรมดามองและตาบอดมอนกันอนุภาพความร้อนแรงของของไฟในอเวจีนรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเอามาเท่ากับแสงหิ่งห้อยก็พอละไม้สดแค่นี้เนี่ย หมดเกลี้ยงเหมือนนั้นลำดับนั้นพระเถระแสดงเปลวไฟแก่เธอแล้วกล่าวว่าถ้าเธอจักศึกเธอจักไม่ในที่นี้ดังนี้แล้วก็เกิดทำให้เกิดความสังเวชเหมือนกัน น, ะนี่ศึกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าศึกก็นั่นนะเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันแค่คนมีคดีติดตัวนะถ้าจับได้มันก็ต้องโทษประหารอยู่แล้วเหมือนนันจำเดิมแต่เธอได้เห็นเปลวไฟเธอก็ตัวสัน่นถามว่าท่านครับพระพุทธศาสนาเป็นเหตุนําออกจากทุกข์หรือ ทุกเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธศาสนาช่วยได้ใช่ไหมวังนั้นอย่างนั้นอาวุโสท่านขอรับเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นเหตุนําออกจากทุกขมีลกาภิกษุจักทําตนให้พ้นทุกวังั้นผมจะต้องทําตัวให้พ้นจากทุกให้ได้วังนั้นเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดไปเลยอาจารย์สบายใจได้ตั้งแต่ น, นี้ไปเนี่ยผมจะเอาตัวให้รอดได้จําจเดิมแต่นั้นมาเธอก็เพียรพยายามทําสมณะทำบําเพ็ญวัดปฏิบัติต่ตอท่านต่ออาจารย์เนี่ยนะ เมื่อถูกความหลับบีบคั้นเวลาเจริญกรรมฐานไปง่วงทาไงไปหาฟาง น, นะที่ชุ่มน้ำเอาฟางนี่ไปแช่น้ำเสร็จ แ, แล้วก็มาวางไว้บนศีรษะยางไง น, นั่งย่อนเท้าทั้งสองลงในแอ่งน้ำ น, นะไม่ให้หลับอะ่ะจะเจริญอย่างเดียวอย่างนั้น น, นะหัวนี่ก็แช่ฟางไว้นะเอาผ้ า, าผ้าเปียกชุ่มมาเปียกเปะหัวไว้เท้าแช่น้ำจะได้ไม่ง่วงจะได้ไม่หลับ ทีนี้วันหนึ่งเธอก็กรองน้ำดื่มวางหม้อน้ำไว้ที่ขาได้ยืนคอยน้ำจนน้ำในหม้อหมดครั้งนั้นแลพระเถระได้บอกอุทเทศคือบอกหัวข้อสมณะธรรมแก่สมณะเนเรนดังนี้ว่ายดย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวนก่อนจึงทำรรผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทอาจารย์ก็ไปพูดธรรมะแค่นี้ให้ฟัง เธอก็น้อมคาถาที่ประกอบด้วยบทสี่เข้ามาในตนทีเดียวก็บอกว่าขึ้นเชื่อผู้ที่มีความขยันต้องเป็นเช่นกับเราะนะดึงเข้ามาหาตัวเออเรานี่เพียนจริงจริงวะไงเนี่ยไม่เพียนยังไงนะไฟนรกแหมมันรอน้อนเหลือเกินอ่าแม้ผู้มีสติก็เช่นกับเราผู้ที่มีการงานสะอาดก็เช่นกับเราผู้ที่ใครครวนก่อนแล้วจึงทําก็เช่นกับเรา ผู้สำรวมก็เป็นเช่นกับเราว่งงางั้นผู้อยู่โดยธรรมก็เป็นเช่นกับเราและผู้ไม่ประมาทก็เป็นผู้เช่นกับเราว่งงางั้นทั้งผู้ไม่ประมาทเราก็พึงเป็นเช่นกับเราเหมือนกันรวมความว่าเธอน้อมคาถานั้นเข้าไปในตนเข้ามาในตนอย่างนั้นแล้วตั้งอยู่ในวาระย่างเท้านั่นเองตัดสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างแล้วนะเจริญพิจารณาธรรมะเหล่านี้ไป ตัดสังโยชน์านี้เป็นเป็นคุณธรรมชั้นไหนพระอนาคามีแล้วก็ดำรงอยู่ในอนาคามีผลหันสาร่าเริงคือพอปัจเวกขณะยานเกิดขึ้นก็ร่าเริงกล่าวคาถานี้ว่าเราเทินกลุ่มก้อนฟางสดจงกรมนะเอาฟางนี่มาโปะหัวไว้เลยจงกรมอันนะเอาจิงมากบรรลุผลที่สามคืออนาคามีผลดูก่อนท่านผู้นิรทุกเป็นลาบของเราเนาะงนั้น ออย่างน้อยที่สุดพรห ม, มโลกสบายๆแล้วกันนี่นะปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจับภพบนั้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าชาตินี้คุณทำรรมไม่ได้อไอเหวทับฟ้าเนี่ยไอฟ้าทับเหวียนเนี่ยนะยังไงก็ต้องถ้าเป็นกรรมนิมิตคตินิมิตนี่ก็ลําบากละที่กล่าวอย่างนี้ทําให้เห็นว่าคนที่ทําชั่วทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่ปรารบจะทําคุณงามความดีนะ สิ่งเหล่านี้เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดที่เขาเห็นโทษเห็นภัยของทูจริตมาเจริญวจีสุดจริตเมื่อนั้นแหละไอ้ประสบประการภูมิหลังนี่มาหมดเลยอันเท่าที่สังเกตดูไม่ว่าจะเป็นพระหรือคาวาที่ที่ศึกษาธรรมะค่อนข้างเอาจิงเอาจังระดับหนึ่งเนี่ยนะของเก่าเข้ามาหมดเลยจะเป็นพระพิสเนี่ยจะเริ่มหันมาศึกษา เอาจริงเอาจังเนี่ยนะไอ้นับตั้งแต่พรรษาหนึ่งว่าวันเข้าโบสถ์มาจนถึงวันเนี้ยไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยทบทวนหมดเกลี้ยงว่างั้นเพราะฉะนั้นอาบัตใดๆที่มีติดตัวก็ต้องชำระสิ่งเหล่านั้นไอ้ระหว่างที่นึกได้ถึงไอ้ความไม่ดีที่ทำมาเนี่ยแหมใขรมันก็แทบขึ้นเหมือนกันว่างั้นบางคนก็ไปเฉียดปาราชิกมาตั้งหลายเรื่องคนเนี่ยแทบนอนไม่หลับเลย มีองค์หนึ่งเขากเาก็เอ๊ะมันจะปราชิกหรือเปล่าเขาบอกว่าอกนี่มันร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะมันระอุขึ้นมาเลยเขาบอคิดถึงบ้านทันทีเลยมันเร่าร้อนขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอกุศลใดๆก็เหมือนกันเราเห็นว่ามันเล็กน้อยวันนี้ว่าเออนึกว่าจะไม่มีโทษอีกระยะหนึ่งเวลามันให้โทษมันให้ผลมาแล้วเนี่ยพรองตรัสว่าเมื่อนั้นแหละคนผ่านก็จะทุกข์ระทมเขวบอกงั้น เพราะถ้าหากว่าปรากฏเป็นกรรมนิมิตคตินิมิตใกล้ๆที่จะจุติด้วยแล้วก็ตรงนี้ลําบากและนายหน้าพาเราไปไม่ดีแนะ่ทีนี้ถ้าไปแล้วก็ที่จะได้ดิบได้ดีคือเนี่ยค่อนข้างยากไปอบายนี้ไปง่ายแต่ว่ากลับยากเห <c oughs> มือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิสงค์ของศีลถ้าหากว่าบุคคลผู้รักษาศีลได้ดีจริงๆก็สามารถพ้นจาก ธรรมะคืออบายเป็นต้นเหล่านี้ได้เนี่ยพุทธศาสนานั้นเป็นนิยานิกธรรมคําสอนของพระองค์คือสติปทาน 4, สี่สัมมาปทาน4อิธิบาทส 4, อินสี่ห้าพละหโพชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สิ่งเหล่านี้เป็นนิยานิกรรมจริงๆเป็นธรรมที่ช่วยสา้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ได้เพรผนผู้ที่ไม่ประมาทในพระพุทธศาสนาคนเหล่านั้นก็จะพ้นจากทุกข์ ทีนี้กล่าวถึงคําถามเกี่ยวกับเรื่องศีล น, นะทบทวนคําถามก่อนก่อนจะเข้าเรื่องศีลต่อนะคำถามที่หนึ่งว่าอะไรคือศีล น, นะสบายแล้วนะอะไรคือศีลเจตนาคือศีลเจตสิกคือศีลสังวรคือศีลอวีติกามะคือศีลเอเจตนาเป็นศีลเป็นยังไงเจตนาของบุคคลผู้งดเว้นนะผู้ละจากกายทุจริต วจีทุจริตหรือว่าเจตนาที่ตั้งใจประพฤติวัตปฏิบัติเป็นต้นเจตนาเหล่านี้เป็นเจตนาศีลส่วนเจตสิกศีลก็ได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะอันนี้ก็เป็นเจตสิกศีลอนภิชาอัพยาปาทะสัมมาทิฏฐินี้ก็เป็นเจตสิกศีล สังวรห้สังวรก็เป็นศีลนะคือปฏิโมคขสังวรหรือศีลสังวรสอสติสังวรหรืออินทรียสังวรนั่นเอง 3. ญาณสังวรต่อไปขันติสังวรและวิริยะสังวรนะสังวรห้สังวรเหล่านี้ก็เป็นศีลต่อไปอวีติกามากก็คือกุศลธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่เป็นเหตุไม่ให้ล่วงละเมิด มาทางกายและทางวาจาอันนั้นชื่อว่าอวีติกรมะสีนสรุปแล้วกุกุศลธรรมกุศลจิตทั้งหมดนั้นเป็นเป็นศีนั่นเองนะกุศลขั้นไหนก็ตามถ้านับโดยศีอันนี้นับว่าเป็นศีศีทั้งหมดเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรทั้งเจตนาศีลเจตสิกศีนสังวรศีนอวิติกรมะสีนเนี่ยมีลักษณะศีละนะศีละนะก็คือรวบรวม นะหรือควบคุมกายวาจามไม่ให้กระจัดกระจายหมายคาอว่าคนที่รักษาศีลนี่ดีกายก็เรียบร้อยวจีก็เรียบร้อยนี่นะไม่ล่วงละเมิดออกมาเหมือนคนสำรวมมือสำรวมเท้าแบบนั้นนะหรือว่าสำรวมตาลักษณะนี้เรียกว่ามีความสำรวมนี่นะตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าไปรองรับปุสโสธธรรมชั้นสูง คำว่ารองรับกุศลธรรธมชั้นสูงตรงนี้เห็นบ่อยมากตามคัมภีร์ต่างๆท่านท่านยกย่องคําว่ารองรับซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงแม้แต่พุทธพจน์เองก็กล่าวแสดงอธิบายในลักษณะว่ากุศลศีลทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นรองรับกุศลธร ร, รธมชั้นสูงเห็นไหเพราะฉะนั้นศีลทั้งหมดนั้นมีลักษณะคือรองรับกุศลธรรธมชั้นสูงเป็นลักษณะจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะตรงๆเลยก็คือศีลมีลักษณะรองรับกุศลธรรธมชั้นสูง ศีลนั้นกิจของศีลคือกิจกิจจะเนี่ยนะหน้าที่ของเขาคือกําจัดความทุศีลศีลนั้นสมบัติของศีลก็คือไม่มีโทษนะหาโทษไม่ได้มีอาการปรากฏคือความสะอาดกายวาจาและใจมีเฮริโอตปาปะเป็นเหตุใกล้อันถ้าหากว่ารู้จักตัวศีลรู้จักลักษณะของศีลทั้งหมดแล้ว ก็รู้จักอนิสงของศีลใช่ไหมว่าศีล เ, เหล่านี้ที่เรารักษาย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสารความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นศีลเป็นเหตุแห่งโภกคสมบัตินะศีลอนะเป็นเหตุแห่งอะไรชื่อเสียงดีนะมีชื่อเสียงเป็นเหตุให้มีชื่อเสียงเขาก็คือคำว่าชื่อเสียงก็คือคนก็จะยกย่องอนะในความดีแล้วก็ศีลก็เป็น เหตุให้องค์อาจนนะไม่เกอร์เคิร์นเวลาเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็กุศลศีลเหล่านั้นเวลาใกล้จะตายก็จะกรร ม, มนิมิตเนี่ยนะคือกุศลศีลเหล่านี้จะไปปรากฏใกล้จะตายไม่ใช่โหกรรมมณีมิตที่เป็นบาปไม่เข้ามางหม น, นแต่ถ้าหากว่าคนศีลไม่ดีเนี่ยนะกรร ม, มนิมิตเนี่ย คำบางคําที่เคยไปพูดมาคํานั้นลอยแวบเข้ามาใกล้าตาเด้อยลําบากใจเนี่ยนไม่หลงทำกาละไอ้เขา่าหลงทำกาละก็คือตายแบบคนไม่มีสติอ่ะนะตายแบบคนกุศลไม่เกิดใกล้จะตายอ่ะคนอย่างนี้คอยรู้เถอะว่าอบบายเป็นที่หวังอย่างแ น, น่นอนนะถ้ากุศลจิตไม่เกิดเวลาใกล้าตายเนี่ยไปไม่ดีแน่